ไปที่ไหนก็ลํารวยที่หนมีแต่กุศลมีแต่ผลบุญเพราะเป็นความจริงในพิจงเขาท่านสาธุชนทั้งหลายเราเกิดมาในสากลโลกหิีประพัดสอนสีท่องใสามาแล้วแต่เรามาคลุกฝุ่นกันมาย่ำยำยีบีทาบเป้ายีปูย่ำหาโอกาสที่ลายสาระเขามาผสมประสารก็จิตใจจิตใจจนฟุง้งชาติ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 จะหาโอกาสทาบุญได้ยากจะเป็นพระนุงเหลืองหมเหลืองชนิดใดก็าตามทำไปเช่ะบุญมันอยู่ที่ใจยโยมมันไม่ใชอยู่ที่พระองค์นั้นจะ ท, ทาไปก็พระองค์นั้นแหละสังคังน้ำมามิขะเจ้าไหมูสงผู้ทรงสังวรสิงผู้ทรงพระธรรมวินัยเป็นลุศิตาธาคตสังคังน้ำมามิเป็นต้นขะเจ้าไหวมูสงในมูนั้น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 คิดว่าสายบาดไปแล้วเราก็จะต้องสุปฏิปันโนสังฆังนำมามีข้าพเจ้าไหว้หมู่สงประพติดิปฏิบัติชาบโยมก็ได้บุญครบร้อยปรเซไม่จาต้องกล่าวว่าไปแสวงหาพระที่ไหนแล้วสุปฏิปันโนจะหาได้ถึงไหนประการไดพระเป็นปู่ทุกชนทางนั้นไม่มีสุปฏิปันโนที่แน่นอนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เลย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 เรามีความสนุกในจิตใจจิตใจไม่เลวละจิตใจไม่เป็นอาคูศนจิตใจไม่เป็นหายนะแต่ประการบาลชีวิต ท, ท่านจะแจ่มใสก็ะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานไม่เฉกองาก่ายแล้วก็ไม่เฉของยากท่านต้องมีบุญมีวาสนาท่านจึงมาเจริญกรรมฐานกันถ้าท่านไล่บุญวาสนาท่านไม่ต้องมาเนะีหลูนห้าลูทาไม่ได้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 เอาทุกคนโน้นเอาทุกคนนี่ของพี่ของนององ้องของลูกของหลานเอามาเก็ดมันเป็นทุกเลยก็โทรมานัดสั่งสมมนัดมมดีอกดีใจแล้วเดี๋ยวก็โทร ม, มนัดดีใจแล้วก็เสียใจยเสียใจยแล้วก็ดีใจแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาอดทนไม่ได้ไม่มีการอดทนต่อเหตุผลห่ไหนเลยท่านจะทนต่อเวลนะเวชนาที่กาหนดได้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 ซาโล่ของโรงแรมนั้นทั้งสามีภรรยาทั้งลูกยิ้มแย้มแจนสายไอ้คนงานในโรงแรมนั้นมันก็ดีใจมันก็ตั้งใจทำงานนี่สามีภรรยาหนะ้ามันยักมันมานทาให้ลูกเลี้ลูกกวานการทูในหมู่นั้นก็ลวนไปด้วยก็ไม่อยากจะทํางานงานก็ไม่เดินขึ้นนี่เห็นได้ชัดไหมแต่ทั้งหลายเอ่ยจับจุดให้มันถูกต้องการกําหนดนี่สาคัญมาก ไม่ใช่วางประทัได้ทุกคนดูหน้าก็รู้หรอกไม่อดทนอะไรเลยนะบาทีหน้าพลิกแล้วพลิกอีกพิกอีกพลิกแล้วกำหนดไปเรื่อยๆนาเข้านะเข้ามันจับจุดเหมือนหมอนวดจับเส้นค่อยๆสนะหนับปวดหนาแทบดินแล้วมันหายจริง ๆ, ๆเก็บเย็นได้ต่อภายหลังแต่กินของขมไม่อยากกินเลยเนาะ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 ทำให้ลูกกดดนันทําให้ลูกก็เป็นโรคประสาทขอฝาท่านไปเลยนะสิงเทศกับการใดท่านไปตีความหมายได้หละลองไปกากลูกกากห ล, ลานกาลังจะรุ่นกระทงรุ่นหนมรุ่นสาวไม่ไปนะ่ะดูเดือนดูตะวันเลยรับรองลูกหลานท่านจะปปาาเป็นโรคประสาทและเป็นโรคเครียดเป็นลูกเป็นโรคกลัวเป็ลกูลกขลาดเราอย่าไปกาก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 ก็ฝากหนามมันมากอุปสรรคมันเยอะเย่าเหลือเกินต้องเตรียมมีดเตรียมขวานทำทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานต้องเตรียมหามีดพราคืออาวุธปัญญาวุธธงท่านจ้งมีปัญญาจะจำตัวเอาไปแก้ปัญหาคืออาวุธการเจริญกรรมฐานต้องการมีอาวุธจะจำตัว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 จะเป็นครูมาอาจารย์ก็ได้อาจารย์สามอาจารย์สองอาจารย์สามเป็นตน้นระดับเจ็ดระดับแปดก็ว่าไประดับ9ตาก็ไปตามขั้นตอนที่มีปัญญาของตนเอ ง, เองชั้นใดกาชั้นนั้นนี่แหละเข้าเถื่อนกเข้าป่าเรามาจเจริญกรรมาฐานต้องการจะหาอาวุธติดตัวเอง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 มีลูกมีหลานขอจเจริญพรอย่าไปกดดันลูกนะอย่าไปกักให้มันเกินไปให้โอกาสลูกหลานบ้างให้ลูกหลานลืมตาอาากดูเหตุการณ์ของโลกมนุษย์ยุคใหม่สมัยนี้บ้างแต่ก็อย่าให้มันเลืองอย่าให้มันละเลองอย่าให้หลงในนอกลูกนอกทางเท่านั้นดูแลเท่านี้ก็พอแล้วเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแพงแม่ตาให้ลูกหลาน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 จะหยีเล็บจะเจ็บเนื้อจะเหลือวิสัยก็ตามจะไม่โกรธจะไม่เน็บแนมท่านผู้ใดจะไม่เสียดสีท่านผู้ใดอีกและก็จะไม่ปากว่าตาขยิบอีกต่อไปจะไม่ฟื้นฝอยหาจะเทบจะไม่หยกเล็บเจ็บเนื้อต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้านั่งคือนักรรมฐานจ ะ, จะมีบทความดังไดชแจงแสดงมานะปัตติมีอาตมาภา ขออนุโมโทานาจาทุการแก่ท่านหญิงท่านชายท่านอุบาศอกอุบาสิกาทางพระภูตัสาสนาท่านเป็นท่านหญิงจะเป็นสาวจะเป็นคุลสตรีสร้างความดีเบญญาการสวยสดงดงามในกุลสตรีแล้วขอให้สวยทั้งสีสวยทั้งสดงดงามตามระเบียบใจก็งาม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 อาจจะมีบุตรนักปลาจะมาเกิดอัจใจใยท่านสกปลอกสัตว์นรกจะมาเกิดเทียงพอเทียงแม่คำไม่ตกฟ้าลูกลลางไม่สวยจิตใจก็ไม่รวยน้ำใจก็ไม่มีอารทำสะอาดนอกสะอาดนายสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันหลับนอนก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนามีสติตั้งอยู่เสมอ ล้อนถึงเทพพิจาเอานักปราดมาเกิดในบ้านนี้ได้ปริยาเอกนักปราดมาเกิดอยู่ ด, ดีกินดีมั่งมีสีสุขท่านตระกูลวงบ้านไหนจิตใจลามกโฉกปกทรัพย์โลกมาเกิดเที่ยงห่อเที่ยงแม่คาไม่ตกว่าเหยอยดยี่ยเขี่ยวยินฟังเหมือนยากเหมือนมานไม่มีความสุขความเจริญสำรามชีวิตแต่ประการใด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 เนรธรรมปฏิบัติธรรมเดชเจริญซ้นภาวนาปัญญาท่านก็จะเกิดลำเลือดทุกประการไปไหนมีจะความสุขความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรมีจะ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสงสารสัพพ์ท ร, รท้งไรรู้วาละจิตของสัตวที่จะเกิดและจะตายรู้วาละจิตสังสารในโลก และสวรรค์จะได้แผ่มเมตตาอนุโมทนาสาธุการตลอดกาลประวัติาสร์โดยถั่วหนากันขอทุกท่านจงจเจริญธรรมปฏิบัติกรรมฐ า, านลูกหลานจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลเวลาดรืย อ, อำนาจตามทื่นภาวนานี้ขอดนบรรดาลให้พุทธบริษัททั้งหลาย ออกนามไพ่บู์ในประพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถวนากันขอทุกท่านจงกระเริญด้วยอายุวันนะสุขาภลาปิตานถนาดร้านลสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตราธนาด้วยการทุกทุกท่าน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 มหาหลวงพ่อจรันเป็นต้นเขาจึงมาตามหมายการพร้อมกับผู้ทหารพเนจรพิชัยว่าเป็นล่ามรละผู้ภาษายนยเสียดได้นี่แหละท่านญาติโยมทั้งหลายเห็นใจเถิดคนเดียวก็ต้องสู้และวันนี้วันคํามทนะวันพระเขาก็รู้ว่าจะมาอยู่วัดก็มากันหลายทัพ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 เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระธรรมมาเสนานีตอนนี้ก็พารูศิษย์มาอุทิศกัดเคยไปพัฒนาที่นครนายกหาบาศกปฏิการเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากลายคือท่านพระอาจารย์มหาสมพง์วันนี้อุตสาเชียอระนำญาติโยมมาลถบาสรถทั่วเสียเงอนเสียทองมาไกลหลายกิโลเมตร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 ภาคสึบภาคทีเบ็ภาคที่สอง ภ, ภาคเหนือภาคอีสานมาพรอ้อมหลายลูกผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านวิชาการทั้งสิ้นพระมหาป ร, รีญยนก็เยอะแต่มาทำไมว่ า, ม า, มารถม้ามาล้นหลวงพ่อวันอยู่แน่นแน่ในวันทําสนถะึงเสียสละการสวดมนต์ไหว้พระทั้งหมดมาตรงด่วนมาที่วัดอัพวันตนชี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 บ่ายต้องไปพูดที่เทศบาลเมืองสิงบุรีเป็นวันเกิดของเทศบาลพูดเรื่องแผ่นดินทมไปยิงทองเพราะนายกเทศมนตีขอนิมนต์ีแหละญาโยมเห็นใจัะมาเถอะเวลาพักก็ไม่มีแหละนี่มีความหมายและเราอยู่กับวัดของเราอยู่กใกล้ๆระโปรจะได้รับฟังบ้างตามที่ควร เขามาในแง่ที่ต่างๆเอาของดีของเราไปแต่เราอยู่ใกล้เกลืออยากกินด่างให้มีน้ำใจมีความติมโน้มหมายอันนั้นแต่แล้วท่านมาพัฒนาศึกษาควรจะจำใส่ใจว่าเขามาทำไมเสียเงินค่ารถจากนครสวรรคมานี่สี่กิโลต้องใช้เวลารถวิ่งรวมสองชั่วโมงท่านบอกอย่างนั้นตองเสียค่ารถ เียเวลาลงบทสดเสียเวลาสวดมนต์วัชาด้วยไม่มาก็ขาดของดีจึงนืกยุดหน้ามาทันทีไม่จะรอหลีแต่ละการได้แ ล, มม ล, ล้วพนมสาะคามเพราะคำยึกโดยพระอาจารย์สมหาสมพงลุกิจของปู่ธรรมเสนานีเจ้าคณะจังหวัดรพระชุทร์ศักดหลวงพ่อโสธรนี่ อย่าอาววรหลงหลายแต่ประการไดตามาก็รู้สึกราบซึ้งดีใจ ไ, ได้ช่วยจังหวัดขะเึงเศรามากเขาจะมีเชื่อสายใช้โทรเป็นเล่ามาในวันนี้มีความหมายนะไอ้เชื้อนันตา์ตานเมาเนี่ยขอเทียไอ้แค่ปอซ่พูดกันไม่รู้เรื่องไอ้เชื้อใช้โทรถึงจะเปลี่ยหน่อยมีความรู้ดีแต่ยังไม่ได้ดีเพราะไม่มีปัญญา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 ก็ยังดูแต่เชื่อมตานเมาที่มีความรู้แค่ปอซื้อพอดีไม่ได้เครื่องใช้ทองมันเปรี้ยวกินไม่ลงเหมือนคนมีความรู้สูงเอามากลั่นที่เอามากลองเครื่อให้จะทานองทำเป็นกิจกรรมที่ดีแลว้วรับรองเป็นเล่าขุงก๊าซจะดีตีเท่าไร่ก็ได้อยู่ทุ่งกลั่นทุ่งกลองอยู่ที่หมองไม่หมองใจ พลังปรองคราบว่าเจาะให้ลึกให้บันทึกหลฐานในจิตใจของท่านท่านจะมีปัญญาเป็นบัณิตราชกุฏีมีปัญญาแหลมลึกแหลมหลั ก, ลลกฝักไปในบัเด็กมีความทกสูงคนใคกล้เคลีอกินด่านอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีความเข้าใจไปที่หน้าเสียดายเวลาที่มีข้าวถึงมาก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 วันนี้อจะมาต้องใช้เสียงมากใช้สมองฝึกกรองตามวาระติตของผู้มาผู้มีปัญญาผู้สมองใสทางนั้นนักกวีจัยงนั้นผู้เชี่ยวชาญ น, นักเผยแพร่นักพัฒนาตัวยงในบ้านของท่านในจังหวัดของท่านภาคิี่1ภาคที่2หลายสิตจังหวัดมากินมาฉันน้ปนาปานะของเราดีใจมาก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 แต่เราเป็นตลาดวิชาการตลาดปฏิบัติการตลาดนโยบายการค้าของศีลิศการค้าของธรรมะของความดีมีปัญญาไม่มีคนซื้อเลยอยู่คนอื่นซื้อไปหมดน่าเสียดายนะน่าเสียดามากนักบริหารทุกท่านนักบริสุทิ์ทุกคนภุกรกตุนักสวัสดิการนักบริหารงานนักบริการนัก ผู้นำของทัานผู้นำของประชาชนผู้นำครอบครัวผู้นำของพนักิตโปรดมีความพิดเห็นนักบริหารนักธุรกิจนักสวัสดิการนักบริการนักท่องเที่ยวธุรกิจนักผู้แนะผู้นำผู้ปรามุสานควรจะศึกษาข้อมูลเอามาเป็นบทนำชีวิต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 มีประโยชน์นี้ใช่น้อยกลาเคืนก็ต้องขันไก่กลงวันก็ต้องขันตามยามตามเวลาไก่เอ๋ยไก่กอเอยกอไก่ต้องลูกพ่อของกอไก่กอขอกอกะมีความหมายไม่รู้เหตุที่มาของไอ้กอไก่พอข อ, ขอคงไม่ได้คอควดก็ไม่มีคอควายก็จน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 ผู้นำคนค่าผู้นำเนะะี่ยก็ตัวยังต่ำต่ำก็น้ำตัวเอง